เรามีนมัสการเรามีชั้นเรนทุกทันทีเรามีวันมีเวลาสําหรับอธิษฐานเรามีการประกาศขึ้นาวขวัเพื่อแจกเบ็ดเตยมีงานมีกิจกรรมต่างๆปีนี้เราจะมีค่าค่าจเบีกนเตยนะครับเตรียมเตยเตรียมใจแล้วก็เตรียมอืม <c oughs> นะครับประมาณเดือนตุลาเนาะบอกไว้ตั้งแต่เนิ่น นะครับเ่อเราจะได้หยาดเจอหยาดนะครัอ บ, ย อ, บ, ย อ, บอยาดไม่อยากให้มันเลือกนะหยาดไม่ให้มันเก็บไว้นะครับเก็บดีดีอย่าให้เลือกอย่าใหยประมาณเดือนตุลาเราจะมีค่ายครอบครัวค่ายทีจจักยึดของดังและเรามีกันแล้วกันเรามีพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครบอกว่าเราไม่มีอะไรลแลในที่ที่พูดมาเนี้ยเรามีหมดทั้งนั้นและมีพระคุณความรักของบัจจารวย ตลอดทั้งปีนี้นะครับผมจะใช้สําหรับในส่วนของผมนะครับผมจะใช้พระธรรมเอตสัตย์ให้เราเรียนรู้ชีวิตฝ่ายจิตปัญญาและการทํางานของพระเจ้าผ่านทางพระคำของพระเจ้าเรื่อนี้เพื่อจะหมุนใจเราตลอดเรื่อนี้นะครับตลอดปีนี้โดยใช้พระธรรมเอตสัตย์ให้เราได้เข้าใจความหมายของคําบางคําที่เอ๊ะมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอะไรยัางไรบ้างเริ่มตั้งแต่วันนี้บทที่หนึ่ง นะครับข้อหนึ่งถึงข้อสิบสี่นะครับสิบสี่ข้อเฉลี่ยแล้วข้อละ2นาทีห้าสิบวิคูณแล้วจะได้สามสิบห้านาทีนะครับถ้าเกินนี้ถือว่าผมคำนวณผิดแล้วกัน <c oughs> นะครับนะพระคัมภาาีราพเจ้าตอนนี้ก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการหนุนใจและการทำงานของอาจารย์ไปเลย ผ, ผ่านทางพระธรรเกียรตร เอฟซัสเนี่ยนะครับเป็นจดหมายที่ปาโลเขียนส่งไปให้กับพี่น้องที่อยู่ใน F Z. เมืองเอฟซัสนะครับพี่น้องที่อยู่ใน F Z เมืองเอฟซัสนะครับเป็นขี้เซียมกลุ่มห น, นึ่งนะครับเขาก็มีจํานวนไม่มากไม่เยอะไม่น้อยเท่าไหร่นะแต่เมื่อเทียบกับจํานวนคนที่อยู่ในเมืองเอฟซัสเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นก็จะเยอะมากคนก็ประมาณสองแสนสองแสนนิดนิด และเมืองอุษาเป็นเมืองที่ติดกับทะเลเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายสัญจรไปมาท่ า, าเรือมีอรือต่างๆมีเรือสมุดขนาดใหญ่มีความรูีมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่อยู่ในเมืองนะแต่คริสเตียนเมืองนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นคริสเตียนที่เอ่าพึ่งพิงบอลบ้างชุมแข็งบ้างหรืออะไรต่างๆบ้างแต่ที่เราคริสเตียนเมืองนี้เป็นคริสเตียนที่ชุ่มแข็งมีความเชื่อนะครับมควาั่นคงมีความเชื่อ แต่นังนก็ตามอาจารย์ปาลก็พยายามที่จะเขียนจดหมายไปผู้หนุนใจพวกเขาให้มั่นคงเล็กขึ้นแข็งขึ้นนะถ้าเราอยากทราบรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดินไปนิดหนึ่งเราอ่านในพระธรรมวิเวรที่ท่านยอนได้เขียนจดหมายถึงที่ด้จากเมืองเอเบซัตนะครับท่านยอนก็เชมเข้ขหลายหลายอย่างนะชเิเมืองนี้หลายๆอย่างแต่มีข้อตำหนิอยู่อย่างหนึ่งสำหรับคนหนึ่งเอเบซั S, คืออะรครับ เขายืมความรักดั้งเดิมที่เขาเคยได้รับจากพระเจ้าจริงๆนะอ่านไปเรืเอๆๆ่อ่านอ่านเฉยๆมันก็ไม่ได้มีอะไรในยืมความรักดั้งเดิมหลายหลาย ๆ, ๆคนก็ยืมความรักดั้งเดิมมาได้นะนะครับหลายๆคนก็ลืมเชื่นคนแรกก็นลืมไปแล้วไม่ถึงสำคัญอะไรเลยอะไรเง้ยนะครับหลายๆคนดีที่สัมไปใช่ไลืมลืมไปแล้วเติมเตอมคนใหม่ปัจจุบันเป็นไงครับดีก็เดิมอะไรนะถึงว่า ความรักตั้งเดิมของชาเอเฟสที่ได้รับเนี่ยมันไม่เหมือนกับความรักทั่ ว, วไปแต่เป็นความรักตั้งเดิมที่เขาได้รับความรักที่มาจากระเจาเขาไม่ควรจะลืมและเราทุกคนก็ไม่ควรจะลูมนี่กับความรักที่เราได้สัมผัสเราได้รับจากพระเจ้าอันนัครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับชายเมืองเอเฟส เปาโลรักและเป็นห่วงมากสาหรับมูเอเดเช์อาจจะเป็นมูลสินกลางการทำธุรกิจห น, งหนึงของเปาโลนะเพราะว่าเมื่อเปาโลเดินทางไปที่ไหนเปาโลก็จะเชิญชวนคนที่ต่างๆผู้นำแลจะขีลรจากต่างๆเนี่ยมาเรียนตัว ก, กันที่มเอเ์โอยือไม่ใช่ขอรับเพื่อนมาที่มูนเอเดเช์นะมาสั่งสอนอบรมบ เ, เ, ม เ, เมสร็จแล้วก็ส่งตัวกลับไปอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะการทำ ง, งานของเปาโลนะครับ หัวข้อในพระคัมภีร์ที่เราดูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหัวข้อต่อมาเนี่ย บ, บอกว่าพรฝ่ายวิญญาณในพระคริสต์นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่สําคัญมากอาจารย์ไปเริ่มต้นให้กับชาวเมืองเยฟัสเยเฟสัสด้วยคําที่บอกว่าพรฝ่ายวิญญาณสําหรับเขาทั้งหลายในพระคริสต์และหัวข้อเทศนาในเช้าวันนี้ผมก็เลยตั้งว่าในพระคริสต์เอา่ั้นๆง่าย แต่ว่าในผู้คิชีวิตของเรานั้นมันเป็นอย่างรายบ้างสิ่งที่เราอยู่ในผู้คลิปนั้นเราจะปฏิบัติหรือเราจะทําอะไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้างวันนี้นะครับเราเปิดผ้าคมภีร์นะครับแบบดู้จ้องตุนะ๋นเนี่ยเพราะว่าการเทศนาหรือการแบ่งปันในวันนี้จะไม่มีหนึ่งสองสามประการนะครับแต่จะพูดทั้งสิี่ข้อเนี่ยนะครับภายในเวลาที่คำนวณมาแล้วเรียบร้อยบอกแล้วว่าถ้าเกินก็ถือว่าผมคำนวณผิด นะครับเราดู two, นะครับข้อหนึ่งข้อสองเหนือนะครับเป็นรูปแบบจดหมายของตองโลนะครับขึ้นต้นทักทายข้าพ เ, เจ้าอัคราจูตตองโลเป็นคนเขียนแล้วก็ส่งให้กับชาวเมืองเออใช่ไครับเป็นรูปแบบการเขียนจดหมายทั่วๆไปของในเวลานั้นและของตปงโลเป็นพิเศษนะครับนะไอันนี้เป็นความรักความผูกพันของเขาที่มีต่อการและการของคนในสมัยนั้นที่ส่งจดหมายถึงกันข้อที่สาม มีคําที่สําคัญข้อที่สามบอกว่าสาธิการเดเระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์ผู้บัญญของเราผู้ประทานรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสถานสถานเดวเปจคริสมีคําที่น่าสนใจอยู่นี้่ครับคำแรกพระบิดามันน่าสนใจยังไงมันก็เป็นคําธรรมดาธรรมดๆนะนะครับคําว่าพราะบิดาของความหมายด้วยนี้ครับ น, นบอกกับเราว่าเป็นพระผู้สร้าง ผู้กําเนิดและผู้ที่มีสิทธิอํานาจอันที่จริงแล้วพระเจะ้าทรงมีสิทธิอํานาจในการควบคุมให้เราทาอะไรก็ได้ตามที่พระองค์อยากให้เราทำถ้าพระองค์จะใส่โปรแกรมว่าจืดจืดแล้วก็ให้ระเดิ น, นเหมือนหุนยนต์ก็ตายจืดจืดจืดทำอะไรก็ได้นี่คือความมีอํานาจของพระเจ้าที่พระองค์ควบคุมเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ และพระองค์ก็ใส่กฎให้กับธรรมชาติดวงอาทิตย์มันต้องหมุนไปอย่างนี้ดวงจันทร์มันมีอิทธิพลต่อน้ำขึ้นน้ำลงดวงดาวอะไรต่างๆระบบสุวิยะจากกักรวาลพระเจ้าก็กำห น, นดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแต่แปลกนะสำหรับชีวมนุษย์พระองค์ไม่เคยตั้งโปรแกรมกำหนดว่ามนุษย์จะต้องจิุดอย่างนี้แต่พระองค์ให้มนุษย์มี มีความงดงามของความคิดมีอิสระที่คิดว่าฉั น, ฉ, นฉันจะเลือกแบบนี้ฉันจะเลือกแบบนี้นตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจตัวเองนั่นเพราะฉะ น, นั้นในบางครั้งมันไม่้เราไม่อิสระและตัดสินใจแล้วว่าฉันตัดสินใจว่ามันไม่ดีฉันแค่ทำไม่จใจที่ฉันเป็นอย่างนี้ทำไมพ่พเจให้เกิดอย่างนี้กับฉันแต่จริงๆแล้วการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าใครครับ บางคนตัดสินใจแต่บางครั้งเรพระเจ้าใช่ไหมบางคร่้งเราโทษพระเจ้าทําไมเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เคยกลับไปคิดเองว่าโอ้จริงๆแล้วนั่นเป็นโอากาสที่พระเจ้าให้กับเรามีอิสระในการคิดในการตัดสินใจแต่เราต้องยอมรับในการตัดสินใจของเรานะั้นนี่คือพระบิดาที่พระองค์ให้พระคุณและอิสระกับชีวิตของเราทั้งหลาย จรงๆแล้วเพื่อนมีความเป็นพระเจ้าที่สิทธิอํานาจและความน่าอยอมเกรงความน่ายเกรงขามแต่เพื่อนก็เป็นพระเจ้าที่มีความรักแล้วก็มห้ปลาให้กับชีวิตของเราทั้งหลายคําต่อมาคําว่าพระเยซูคําว่าพระเยซูก็เป็นคําธรรมดาธรรมดาเป็นชื่อของคนที่เราเรียนรู้แนละ้วว่าเพื่อนเป็นพระผู้ช่วยให้เราชีวิตสําหรับชีวิตเขาเราแต่คําที่ต่อท้ายมาพระเยซูของเรา คำว่าของเรากําลังบอกว่าเลยครับเราได้พระองค์มาเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตของเรามองเป็นของเราและเป็นต้นเหตุแห่งทุกทุกอย่างด้วยเพราะเราเมื่อดูดูในรพระธรรมยอห์นก็บอกว่าครับทุกสิ่งก็บังเกิดขึ้นตามพระวาระและพระวาระเป็นพระบิดเพราะฉะนั้นพระบิดก็คือพระเย สุคริษเพื่อเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าเม่เพร่อเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของเราด้วยเมื่อเรา ม, มีพระเยซูคริสต์เพลองก็ประทานสิ่งสรารพัดต่างๆให้กับเราเพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นพรฝ่ายวิญ ญ, ญาณทุกอย่างให้แก่เรามีพระเยซูก็เท่ากับเรามีทุกอย่าง นี่คือสิ่งที่ปโลกำลังจะสื่อกับคนโอเปริกันบอกว่าถ้าท่านมีพระเยซูคริสต์ก็เท่ากับท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างหลายครั้งที่ผมเปรยบเทียบภาพนี้นี่เราเห็นมี่เด็กกลุ่ม น, นึงถูกปล่อยพี่วิงไปในห้างภายในเวลาห้านาทีเขาจะเอาอะไรก็ได้ในหน้างนี้แล้วก็ใส่แล้วเข็นใส่ใส่ใส่ใส่ใส่หลัได้เลยครับ ตอนนี้ถ้าถามเด็กๆก็คงหยาดได้กล่องโปเกมอนใหญ่ๆโดนเสาที่ตรงไหนเลยครับตัเต่อหรืออะไรนะเลโก้เะไรเงี้ยเลยครับถ้าถามผู้ชายเด็กได้อะไรอเลโก้หนี้นอนนะครับอยากก็เอาห้านาทีอยากให้เด็กๆวิ่งเต็มห้อยากได้อะไรเอาไปเลยทุกคนก็วิวง่วงวงิวง่วงวิแล้วก็เก็บสิ่งที่ตัวเองอยากได้ลงมาใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าใส่ตะกระกา้าแต่มีเด็กคนหนึง เขาวิ่งไปที่สำนักงานใหญ่สำนักงานอฟิศของห้างนี้นะครับพอเมื่อไปถึงหน้าออฟฟิศเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าหนูหนูามาทำอะไรทำไมไม่ไปยึดเอาของนั้นกับทคนอื่นนะเด็กคนนี้ตอบว่าผลจะมาหาเจ้าของหงื่ครับท่ามาก็ถ้าผลได้เจ้าของหงื่อก็เท่ากับว่าห้างทั้งหมดจะเป็นของผมใช่ไห เหมือนกับชีวิตของเราบางครั้งเราวิ่งตามหาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าอันนี้ก็ใช่แล้วหยุดมืใส่หยิบมาหยุดมาหยุดมีหยุดมาแต่พราะฉะนั้นข้อมาเจ้า์ตอนนี้บอกว่าถ้าเราได้พระเยสูคริตก็เท่ากับเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ครบบริบรูรณ์อันนี้พูดถึงเรื่องของพรสายจิตบิญญาณเมื่อเราพูดถึงคาว่าพร เราชินเราคุ้นเคยกับคําว่าเอพอพรใช่เอพอพรผู้ใหญ่ก็เอพอรเด็กๆมีวันสงการานต์มาเด็กก็จะไปขอพอรจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะให้พรเด็กปีใหม่ผู้ใหญ่ก็จะเอพอพรเด็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่ป่วยเวลาเขาจะให้พรพ่อแม่จะให้พรกับลูกหรือครูจะให้พรกับลูกศึกเนี่ยเขาอาจจะมีวิธีคิดหรือคําคิดที่แตกต่างจากคนไทย คนไทยเราเวลาให้พรเราก็จะบอกว่าโอ้ขอให้ศีลศักดิ์สิทธิ์นะให้พร อ, อย่างนี้นะขอให้อะไรอย่นี้ให้พร อ, อย่างนี้นะจริงแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาให้พรเน่ยเขาจะพูดคําว่ากัมบัตเตกัมบัตเตบอกว่าขอให้มีความเพียรพยายามขอให้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขอให้อบทนต่อกิเลสและอารมณ์นั่นคือการอวยพรของคนญี่ปุ่น การที่คนคนหนึ่งจะได้พรนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการบดินทางสัง่าวแต่การที่เขาจะได้พรหรือสิ่งที่เขาอยากจะได้นั้นเขาต้องพยายามและทําด้วยเฮ้เความไมสุขภาพผี่มากนะนี้เนีหมโอ้ไม่ได้เราก็ไปกินกันนะ เพรสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็โอ้โหกินทั้งวันกินอะไรคือกินทั้งวันมันไม่เป็นไรนะแต่บางคนกินแบบไม่ได้มีสิ่งที่เป็นประโยชน์เราจะให้เธอมีสุขภาพแข็งแรงได้ไหมก็ไม่ได้กินทั้งวันแล้วก็ไม่ออกกําลังกายก็ไม่ได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพรที่เราขอหรือที่คนอื่นเลยพรที่พูดให้กับเรามันก็คงไม่มีประโยชน์อะไร มันก็ไม่มาถึงคราเพราะฉะนั้นพรบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะได้และที่เราขอเนี่ยเราต้องทำเราจะพื่อเราจะได้มาอยู่ในชีวิตของเราคำว่าพรเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสนี่ได้นะครับมอไปอยู่ตรงไหนไหมครับมีพรมีเฉลยจับได้ไหมไม่เหมือนส้นนะจับเอุซื้อที่ตลาด น, นีอะไรก็ได้นะซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับคำสัญญาที่บอกว่าพระองค์จะให้ พรกับพี่สัญญาไม่เหมือนกันแต่พตรเป็นความสําคัญต่อจิตใจและที่นี่ใช้คําว่าพรฝ่ายจิตวิญญาณย่อมแสดงให้เราเห็นว่ามีความสําคัญต่อจิตวิญญาณกับเราเนะียและชีวิตที่เซียมกับเราพูดถึงเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณเยอะและพรฝ่ายจิตวิญญาณก็เป็นความสําคัญสําหรับชีวิตขอน เ, าอเอ่าพอดีใช้คําว่าพรทุกอย่างในฉบับหนึ่งเก้าจุดหนึ่งใช้คาว่าพรนาน า, นาประการ หมายความว่าความครบโดยเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในโลกทิพเราก็ได้ครบทุกสิ่งที่อย่างนะครับเราได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างนะร เ, รงงเราได้เห็นตัวเองเราได้อะไรต่างๆที่คนอื่นได้เราก็มีความรู้สึกว่เาเราได้ด้วยนะครับผมพูดแ บ, บ, แบ่อยๆว่าเมื่อมีใครไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยลงรูปบ่อยๆลงรูปเยอะๆลงรูปเยอะๆเพราะว่าผมก็มีความรู้สึกว่าผมได้ไปด้วย นะครับใครเห็นอะไรสวยง่ายไห็นอะรโพสลงมาผมก็ได้รู้สึกว่านฮ้มันมีความสุขที่เราได้เห็นทีนี้เราไม่ได้ไปแต่เราได้เห็นได้เห็นวิญี่ปุ่นได้เห็นวิวที่ไหนครับอเมริกาได้เห็นวิวยุโรปมันรู้สึกว่าเรา ม, มีความสุขเราก็ได้เห็นไปกับที่คนอื่นเขาได้ไปด้วยเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เป็นพรซึ่มันมีผลต่อจิตใจของเรา ต่อหัวใจของเร า, าและถ้าเป็นพรส่ายจิตวิญญาณเรื่ ย, ยก็ยิ่งมีผลต่อจิตวิญญาณของเรานั่นเป็นความชื่นชมยินดีที่เราได้รับข้อที่สี่นะครับพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยนะครับถ้าเราดูไปได้วยกันมีคําว่าเลือกเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกเมื่อพระองค์สร้างโลกนี้ขึ้นมาและพระองค์รู้ว่าพระองค์จะสร้างมนุษย์และเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์แล้วมนุษย์เหลวงทําผิดทําบาปนะครับและรู้ว่าพระอง มีวิธีการที่จะช่วยเราให้กลับคืนมาหาพระเจ้าคําว่าเลือกเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกหมายความว่านับเราทุกคนเป็นของพระองค์พระเจ้าไม่ได้เลมีแค่ชอบคนนี้เอาคนนี้มารับความรอดเพระเจ้าชอบคุณเล็กนะเพราะคณเล็กเป็นหนึ่งเงี้ยหนงงี้ยนะโอ้เออดีเลือกขมารับความรอดแต่คนอื่นไม่เหมือนคุณเล็กเราไม่ชอบนี่ไปคิดแบบนั้นพระเจ้านับเราทุกคนว่าเป็นของพระองค์ แต่เงื่อนไขก็คือเราจะยอมให้พระองค์เลือกเรกาหรือเปล่าเพราะประเด็นอยู่ที่ว่ามนุษย์มีความเป็นอิสระที่จะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้นี่คือข้็ดีและข้อเสียนะ ใช่ไครับถ้าข้อดีกมีด้วยนะครับไม่ได้ไปอิสระนี่เหรอเลือกง่ายแต่ข้อเสียก็คืออมบางคนก็เลือกมู่บานี่หรอจะกลับไปหาพระเจ้าเลือกนานะบางทีกก็ีมือเสานะครับอเสียดายบางคนเลือกอายุอะไรครับเจ็ดสิบแปดสิบนก็กลับคิดโอ้ฉันไปอยูไหนมาตั้งนานแล้วเนี่ย ก็จะได้มาเลือกแบบนี้ที่ฉันจะไปครับเลือกมาตั้งบนี่ยแตขอบคุณพระเจ้าเพราะองค์ทรงมีเวลาวาระและเวลาที่ให้เราได้รับการเลือกและเลือกเอาเพื่องเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเพราะองค์เลือกและโลงที่เราได้รับความรอบรับอุปสระและปาชาสากต่ำนิ้แต่เราต้องมีพระเยซูก่อข้อห้าถึงข้อเจมีคําที่กล่าวไว้ว่าเพื่องกําหนดต่อม กำหนดเป้าหมายถึงการเลือกที่มีกฎเกณฑ์แต่กฎเกณฑ์ของประชาธิปุกเลือกกฎเกณฑ์ของเพิงคืออะไรครับความรักก็จนคำเล่นคือความรักเนี่ยนะครับเป็บอกเด็กๆทุ่บอลเมืดด่อเวลาคุณจะไปสอบขั้นเลือกทุ่นบอลเนี่ยดดอย่างแรกเลยสี่ขุมที่สึงที่คนจะต้องมีคืออะไรครับ ทักษะพุทบอลความรักพุทบอลเดาะบอลให้ได้อย่างน้อยกี่ทีมันู้พุทธบอลเอ่อเดาะบอลอยู่นิ่งๆต้อเดินไปด้วยกี่เมตรแล้วดอกบอลไม่ได้กี่ครั้งอะไรต็นมันมีกฎเกณหลายหลายอย่างในโลกนี้เมื่อเราจะถูกเลือกและมีกําหนดมันต้องมีกฎเกณฑ์แล้วเราต้องผ่านกฎเกณฑ์ของเขาใช่ไหมก่อที่เราจะไปกว่านที่เราจะได้รับและได้รับขับเลือกแต่สําหรับการเลือกของพุทธิ์กฎเกณฑ์ของพุทธิคืออะไรครับความรั และความรักนี้ก็ไม่ได้เป็นความรักแบบมนุษย์มนุษย์ษยษยอย่างเราด้วยแต่เป็นความรักแบบพระเจ้าความรักของ ข, ข้าเจ้าคืออะไรการโน้มน้านเยื่อใขาทางด้านกายภาพปิดมองไปที่จิตใจของเราความรักของพระเจ้าคือไม่ได้รักเราเพราะว่าเป็นอะไรแต่รักเรานิย่าเราจะเป็นอย่างเราก็ตาม เพราะความรักของพระเจคืออะไรครับฉันรักเธอที่อทีดีดีฉันรักเธอทพ่เธอเธอมีรถฉันรักเธอที่เธอเธอมีบ้านหล่อรับให้ฉันหล่อหล่แล้วฉันรักเธอเพราะเพราะเพราะเพราะแต่ความรักของพระเจ้าคือพระองค์รักเราเมื่อเราจะเป็นคนบาปพระองค์รักเราี้ื่อเราจะเป็นเป็นคนต่ํา้อยพระองค์รักเราเมว่าอะไรหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างนั่นคือความรักของพระเจ้าถ้าเอาคําว่าเพราะ เราไม่สามารถผ่านกดเกมของพระเจ้าแน่นอนแต่พระองค์จึงรักเรานี่เวลาเราเป็นคนไม่ไม่รักนี่เวลาเราเป็นคนบาปนี่เวลาเราเป็นคนอันกเนื็ตาแต่นี่ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะผ่านความกฎเกม์ของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ารักเรานี่เวลาเราเป็นอย่างไร และมีข้อที่เจ็เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เราได้อยู way, ่ที่นี่ที่จะนานนาสการเพื่อเราได้รับการไถ่ที่เป็นรูปประทับไม่ใช่แค่การแนะนําเท่านั้นบางคนจะบอกว่าเืราทาหนี้สิบได้ยังั้นทําหนี้สิบได้ยังั้นทํานี้สิบีด้ยเงงั้นแต่สําหรับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่การแนะนําแต่พระองค์ทำอย่างเป็นรูปประทับให้เราเห็นได้พระเจ้าทรงช่วยเราเพื่อไม่ได้ส่งปลายเชื่อนมาและให้เราปีนขึ้นเอง แต่พระองค์เสด็จมาและแบกเราขึ้นมาเพื่อเราจะเริ่การตกแต่งใหม่เพื่อเราจะมีชีวิตใหม่หรือนี่คือที่เราเรียกว่าพระคุณของพระเจ้านี่คือวิธีการช่วยของพระองค์ตั้งแต่ข้อที่ห้าเป็นเจ้นมาพระเจ้าทรงไถ่เราเพื่อให้เราเป็นยืนบุตรของพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกของพระเจ้าหรอกนะ นะครับเป็นใครก็ไม่รู้ดันดัแดงแดเดินไปโดินมาเราเง้ยนะครับพอไม่เข้ายึดไขของพระเจ้าเลยถ้าจะบอกว่านับมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับดูใครที่คนหนึงจะรับใครจะรับเด็กคนนึ่งมาเป็นลูกบดยธรรมเนี่ยมันต้องมีกฎยึดไขใช่ไหมอย่างน้อยอายุต้องห่างกันสิบห้าปีนะครับแล้วมีอะไรอีกดึ๊บดึดึดึ๊บแต่สำหรับพระเจ้าเพื่อเรเลือกให้เราเป็นลูกของพระองค์ยไขแช่เึงดูดพระเซูเข้ามาในชีวิตแค่ เราก็ได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเป็นที่สังเิยชีวิตของเราจะเป็นที่สังเวยให้กับพระเจ้าเป็นที่ที่เราจะนำนักสกษาพระเจ้าเป็นที่ที่เราจะนำคนต่างๆมากมายมารูจักกับพระเจ้าและอันสุดท้ายที่พระเจ้าบอกว่าครับเป็นที่รักโอ้โหถ้าเราถูกใครสักคนเรียกว่าเป็นที่รักเราจะรู้สึกยังี้ เอาตอนเป็นแฟนถ้าถูกเนี่ก็เป็นที่รักเนี่ยรู้สุดจะมีโขงว น, นไปทั้งวันอย่างเงี้ยเตืนเตื่อนโขงวนดีใจเนี่ยนะครับโอ้โหเออกลับไปมองของที่เขาให้มาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี น, นะครับใช่ไหมถูกเนี่ยก็เป็นที่รักนะยี่งแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้ววันใดวันห น, น, นึ่งวันดีคืนดีถูกสามีหรือภรรยาโอบกอดไหลไม่บอกว่า ที่รักยิ่งปไปนลยครับโอ้โหเปนยิ่งดูว่าไม่เคยทําแล้วมันกลับไปทำนะที่รักมันมีคุณค่ามันมีความหมายนะครับเป็นมีคุณค่า ม, มีความห ม, ม, ามายนะที่ขมามาต่ออะไรต่อ จ, จิตใจต่อความรู้สึกต่อ จ, จิตใจต่อความรู้สึก ที่ที่ที่ยังมีความรู้สึกว่าอะไรครับเป็นที่รักและมีคุณค่าของคนที่ของคนที่ ร, รักอยู่แล้วเมือเขาพูดคํานี้เขาก็กําลังแสดงให้เราเห็นว่าเขาเห็นคุณค่าในชีวิตของเราการเป็นที่รักในชีวิตของเราไม่เป็นสิ่งที่สําคัญและพระเจ้าก็นับเราว่าเป็นที่รักของพระองค์ นะนับเร้ว่าเป็นที่รักของพระองค์แล้วกลับไปส่องดูตัวเองโอ้โหฉันนี่นะเป็นที่รักของพระเจ้ามีคุณสมบัติไหนไหมที่บอกว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้านับนับแล้วก็แทบจะไม่มีแต่นั่นก็องพระองค์ก็ยังเรียกเราว่าเป็นที่รักของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า ข้อที่แปถึงข้อที่สิบคาว่าปัญญาและความเข้าใจพระเจ้าทรงให้เราเข้าใจสิ่งที่พงให้เทาทาให้เราคือการถ่ายโดยการสื่อผู้ชนของพระเยซูคริสต์เข้าใจเรื่องที่พระเจ้าทรงทํากับเรานี่ยนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรอกเขาบอกทำไมพระเยซูถึงต้องตายบนไม้กางเขน เพื่อลบล้องความผิดความบาปของเราคนคนเดียวจะตายไม่คนทั้งโลกได้ยังไงบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เพ่งให้เราที่มองถึงการเข้นให้เราที่ได้ยินเรื่องราวของพระองค์และเข้าใจถึงความล้นนิ่งนั้นที่พระ อ, องค์ทําให้กับเราเรื่องของการเข้นเรื่องของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องที่อธิบายด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้มันเข้าใจยาก แต่ให้คนคนจดศาสนาศาสตร์มาอะไรต่างๆมาจะบอกว่าข้อหนึข้อสองข้อสามข้อสีอ 4, ่เรื่องไปถึงข้อที่มนุษยจะข้อที่เท่าไหร่บางคนที่หาเหตุผลมันก็ไม่มีเหตุผลที่เขาเหยาจะได้อยู่ดีแต่เรื่องของความรอบเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของความเชื่อเราไม่สามารถเอาเหตุผลของมนุษย์มาพิสูจน์ความเชื่อได้เพราะเหตุผล ดบบันความเชื่อและเหตุผลเนี่ยเป็นหลักคิดที่มีตรกกาของมนุษย์ซึ่งขึ้นอยู่กับยุคและสมัยเรื่องเหมือนกันยุค น, นี้คิดแบบนี้ก็ได้แบบนี้อีกยุคนึงคิดแบบหนึ่งก็ได้อีกแบบหนึ่งซึ่งเหตุผลใช้ไม่ได้กับความเชื่อแล้วความเชื่อใช้กับอะไรความเชื่อใช้กับจิตใจใช้กับความเชื่อผมได้สั่งนี้หายครับอาจารย์ด็อตอรเกษมสัน ล็อกเ์เทนเน่พิเศษน้าจากเยอรมันเคยเป็นอดีตรองผู้ ม, มีการฝ่ายาบริหารจัดการน้ําของสศาลนักงานาบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานครเด็กภรรยากลับใจมาเป็นคริสเียนแล้วตัวเองก็โมโหมากนะแล้วก็ภรรยาเนี่ยอ่านเพิ่มพิทุกวันทุกวันล็อกเตอร์เกสมศาลก็อ่านทุกวันทุกวันเหมือนกันแต่อ่านคนละประดม ภรรยาไม่อ่านด้วยความซับซึ้งในพระคุณของพาางระเจ้าแต่บางคนเสกสรรอ่านแล้วจับผิดหรยว่าพระคำพีมันจะมีข้อบรรพีที่เนี่ยมันผิดตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแล้วอย่งนึงท่านก็มีบอกมาเพื่อจะแบอกภรรยาเลยว่าเธอมาผิดที่ <c oughs> และฉันก็จะมาตามเธอกลับบ้านแม่มาบอกนะครับเพราะฉันอ่านดูแล้วว่าดูแล้วว่าเขาเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหม แล้วก็มองไปมองมาเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คนเราจะมาเชื่อพระเจ้าและลเชื่อเรื่องการทรงไัยของพระเยซูดูแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรบางท่านก็เดินเข้ามาในแบบนี้เพื่อที่จะหาเหตุผลแบบนี้แ่ละแต่มาเจอเท่าหในความคนนุณบอกว่าอาจารย์ครับสำหรับเรื่องของพระเจ้าถ้าอาจารย์จะใช้เหตุผลอาจารย์จะไม่ได้คําตอบ แต่ถ้าอาจารย์เปิดใจและเชื่อพระเจ้าอาจารย์จะได้รับคําตอบคำพูดง่างยๆทั้งนี้ยทำให้ตักระสงอสารวันนั้นเปิดใจรับเชื่อตั้งแต่นั้นมาชีวิตเรินการเปลี่ยนปลงประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนอืน่นโดยที่ไม่มีเหตุผลแต่ใช้ความเชื่อที่ตัวเองมอองอีไม่ใชขควเชื่อไม่ใช่เหตุผล แต่เป็นเรื่องของจิตใจเราได้ตอบสนองการส่งเรื่องของพระเจ้าตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงให้ไว้าทางพิยสุริธถ้าเราผ่านทางพิยสุพิธเราก็สามารถเข้าไปหาพระองค์ได้ตามพระเจตนารมณ์มีถ้อยคํานี้ในพระชนะของพระเจ้าที่เราอ่านไปหมายความว่าความตั้งใจของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษย์ในโลกนี้ให้โดยรับความยาก ที 1> 1่ประสงค์เจตนาลมของเราเจ้าจอยากให้มันดีไปมากพอแลอวคําต่อมาคําว่าอยู่เพื่อยกย่องพระเกียรตินะครับอยู่ในข้อที่สิบสองเพื่อเราผู้มีความหวังในพระเกียติก่อนผู้อื่นจะอยู่เพื่อยกย่องพระเกียรติของพระองค์จะอยู่เพื่อยกย่องพระเกียรติของพระองค์ Okay. นี่คือหลักการการมีชีวิตคีดเสียงของเราที่พระเจ้าจะพอพระทัยเมื่อเราเป็นคิดเสียนความยากของมันไม่ได้อยู่ที่ชีวิตไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อเราเองแต่ความยากของมันคือเรามีชีวิตอยู่เพื่อจะให้พระเจ้าได้รับกินถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อเราเองมันง่ายไหมมันี่นะอยากทําอะไรก็คุณทำอยากทําอะไรก็คุณทำนะครับแต่มันจะ ไม่ เ, เทะหน่อยนะครับเพราะไม่มีอะไรมาบังคับกดเกลี่หรือให้เราได้ทําำนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเออเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเราก็ต้องควบคุมตัวเองให้ดีเราก็ต้องทําอย่างดีเพื่อถม า, ายเกลียิให้กับพระเจ้าและสิ่งเย่านี้มันจะสแสดงออกมาอย่างอัตโนมัติบางค่อ้ไปซื้อกาแฟที่ตราด ไม่ซื้อตาแล้วก็มีพอดีพนักงานข้ามาแตกินข้าวีคนเข้ามาจ้องๆบางๆอยู่ก็มีหลายคนแล้วรอซื้ออยู่นะครับแต่สุดท้ายพนักงานก็เออเห็นแล้วมีคนมาซื้อกระฟก็รีบนี่ิมามีคนก่อนนี่ผลนี่ตักนะครับเสร็จปุ๊บอ่ะผมก็สั่งกาแรับหนึ่งแก้วคนต่อมาก็สั่งเออกรเขัผมสั่งสแก้ว คนข้างหลังก็สั่งเหมือนกันเนี่ยไปสั่งหนึ่งแก้วนะเขาก็ทํามาครับแล้วก็พนัก ง, งานก็ทํามาเสร็จปุ๊บอ่ะมันทํำมาแก้วเดียวนี่ใสถุงไม่ใสถุงแสบได้อะไรเงี้ยครับผมโอเคคนข้างหลังก็สั่งเหมือนกันอ่ะให้คุณก่อนก็ได้ครับเพราะว่าคนรีบมาเห็นรีบมาเห็จะรีบไปไะไเงี้ยไปครับอู้สขอคุณมากขอคุณมากพนักงานเนะี่โอ้โหเจอลูกค้าดีๆแต่เช้าเนี้ยมันดีจใจใจจริงๆ นี่มันดีต่จริงๆก็เลยถือโอกาสพูดคุยกันว่าอะไรเป็นใครยังไงนี่นะพี่อยู่ในในสายงานคิดจักนี่นะเป็นนี่นะโอ้แล้วถ้าพี่ได้เป็ี่ยนีชายไม่มีเบืได <together>. <droite, kich S 2> ้วคเปลีเวรวันไหนางว่านมไปหาพี่หน้าเาไม่หนอนชีวนี่นี่สิ่งต่างๆที่ดีบางากชีวิตของเราผมไม่ได้พูดว่าผมดีกับคนอื่นแต่สิ่งต่างๆที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงเมโลชื่อในพระเจ้าเนี่ยมันจะแสดงออกมาอย่าง อัตโนมนะัเพื่อเราจะให้คนอื่นได้เห็นถึงพระเจ้าและมันดีต่อใจสำหรับชีวิตของหลายๆคนนี่เป็นตระคูณระ่เพิ่มความรักของพระเจ้ามีผลสำรวจในประเทศอังกฤ ษ, กฤษปี2016ที่ผ่านมานี่ครับบอกว่ามีคนจำนวนถึง6ล้าน9แสนคนนี่น้อยนะ6ล้าน9แสนคนที่มีความรู้สึก หดหูจากการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับเพื่อนในโลกออนไลน์เห็นไหนะครับหดหูใช่ไหดู Facebook เฟซบุ๊กแล้วเห็นเพื่อนไปกินฉันก็รู้สึกอฉันไม่ไหนกินด้วยดูเฟซบุ๊กแล้วดูรล้วเหนเพื่อนเอานี้ก็มีความรู้สึกหดหูทำไมชีวิตของฉันมีเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาอยู่ใน f เฟซบุ๊ก มีู่ใลน์หรืออยู่ในอะไรต่างๆที่ไม่เขาบางครั้งเนี่ยกว่าที่บางคนจะจะโพสเฟซมิ้งบ้านี่เขาต้องเขาต้องตกแต่งหลายๆอย่างนี่เขาต้องจัดฉากหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นจะเอาชีวิตของเรากบเือประดาไปเปรียบเทียบ ก, กับการจัดฉากแบบเนี้ยมันมันไม่ส ม, สมเหตุสมผลกับชีวิตจริงอ่ใช่ไหมครับอย่าไปหลงคิดเอาที่เขาโพสตขึ้นมานี่ยมัน ดีล้ลยสุดยอดแล้ว อ, อาาวอย่างไรต่างๆโอ้บางคนหวั่นไหวอะไรต่างมันก็เป็นครับจะฉากรึหน่อยนะครให้ดูดูในต่างๆขึ้นอย่างเนี้ยนะครับแต่คำถามก็คือว่าหน้าแปลกใจที่เรามีปัญหากับเรื่องดีๆของคนอื่นใช่ไหมเห็นคนอื่นดีๆเนี่ยเรากลัลกบเอาชี้ของตัวเองไปดีปัญหาทําไม เศร้าใจเพราะเราเห็นคนอื่นมีความสุขแทนที่เราจะสุขไปกับเขาดยทำไมเราไม่ชิดแบบนี้เนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำถามที่สำคัญอย่าให้เรามองเห็นเรื่องดีๆของคนอื่นแล้วทำให้เรามีชีวิตที่หดหู่และเราจะดำเนินชีวิตที่ไม่มีความดัง เราต้องกลับมาถามตัวเราว่าเราดำเนินชีวิตอย่างไรสาระอะไรที่อยู่ในชีวิตของเราแก้วนี้ก็ว่างเปล่าถ้ามันหมายถึงชีวิตของเราถ้าก้อนหินนี้มันเป็นสาระที่สําคัญในชีวิตของเราเราก็เอาสาระที่สําคัญใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไป นะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ยใส่ลงไปนะครับถามว่าทั้งหมดเนี่ยเต็มหรือยังเต็นะใส่อะไรเข้าไปได้อีกเออทรายถ้าทรายนี้มันไม่ค่อยจะสำคัญเท่าไหร่เราก็ใส่ไปทีหลังใช่ไหมครับแต่ถ้าแก้วนี้มันเป็นชิตที่ใส่ทรายลงไปเต็มหมด อะไรที่เป็นสาระที่ใส่ไปทีหลังเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรไหมมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าชีวิตของเราแต่และ ว, วันที่เราดําเนินไปดาเนินไปเนี่ยเราจะเลือกสิ่งที่มีสาระก่อนหรือเลือกสิ่งที่ไม่มีสาระใส่ในชีวิตของเราใช่ไครับแกวนี้เต็มที่ยังใส่อะไรได้อีก อยังใส่น้ําลงไปได้อีกเยอะแยะเลยเห็นไหมครับใส่เข้าไปได้อีกถ้าเรามีสาระตั้งแต่แรกเราก็มีชี่ว่านพอสำหรับอันอื่นๆได้แต่ถ้าเราไม่มีสาระตั้งแต่แรกอะไรอื่นๆที่เป็นสาระก็ไม่อาจจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้น นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เตอีย่ตัวเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตปีใหม่ก็เพิ่งเลื่นมาไม่กี่เดืนปีนี้เราตั้งใจจะเอาสาระอะไรใส่ในชีวิตของเราเช่นบางคนที่อยู่ในวายเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนก่อนเราจะทำอะไรกับชีวิตของเราที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมของเรา สิ่งต่อมาที่เราจะต้องคิดคือคุณค่าของชีวิตและความเชื่อที่เรามีเราจะทําอะไรให้พระเจ้าเพิ่มมากขึ้นจากที่ทําอยู่แล้วทํามากขึ้นจากที่ทำอยู่แล้วและทําให้มีคุณภาพขึ้นใช่ไหมด้วยารที่มานมัส ก, การพระเจ้าแต่ต่อไปนี้ฉันจะนมัส ก, การพระเจ้าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นี้ ใช่ไหมครับฉันจะนมัสการพระเจ้าให้มีคุณภาพที่ดีได้อย่างไรต่อไปฉันจะตั้งใจในการนมัสการฉันจะตั้งใจในการอธิษฐานฉันจะตั้งใจในการฟังพระคำของพระเจ้าฉันจะตั้งใจในการร้องเพลงพระเจ้าฉันจะตั้งใจในการอ่านพระคัมภีร์บางคนตั้งใจแบบนั้นและดีมากขึ้นต่อไปมีความตั้งใจของฉันที่มันเป็นโลกประทันคือฉันจะจดคันที่คณะของทุกทุกอาทิตย์เลยและฉันจะเอาไปไข่ครัวนี่ฉัน นี่ฉันเอเลือกจากเปิดแล้วฉันจะเอาไปอธิษฐานฉันจะเอาไปคิดฉันจะเอาไปเรียนรู้ทำให้มันมีคุณภาพมากขึ้นฉันอยากจะเป็นทีมนันท์ศการที่มีคุณภาพมากขึ้นในการเริ่มดนตรีในการนันทศึกษาพระเจ้าแน่นอนฉันก็จะหาเวลาสอมฉันก็จะหาเวลาทําฉันก็จงหาเวลาในการที่จะพัฒนาและทําให้มันดีขึ้นนี่คือการได้ ทำสิ่งที่ทำอยู่แล้วให้มีคุณภาพมากยิงขึ้นมีสาระมากยิ่งขึ้นในการดาเนินชีวิตของเรานี่จะเป็นคำถามที่สำคัญสำหรับชีวิตของเร า, าทุกวันนี้อะไรคือสาระที่เราจะดาเนินเพื่อ ย, ยกย่องและถวายเกียรติให้กับพระเจา้าที่เราจะทำเพื่อในเทศกาลพระเจา้า เพราะว่าชีวิตที่เสื่อของเราเราไม่ได้อยู่พื่ตัวเราเองอย่างที่บอกแล้วถ้าเราอยู่ตัวเราเองเนี่ยเราจะทําอะไรให้กับตัวเราเองก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องคิดถึงอะไรทั้งสิน้นะขอพระเจ้าช่วยเหลือเราใม้ตาเราเสริมกำลังที่เราจะมีชีวิตที่มีสาระสําคัญก่อนเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจา้า เพราะ่าการตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งของเราเนี่ยมันก็มีผลต่อชีวิตในบางช่วงของเราเช่นเดีวยวกันนะครับผมเป็นคนที่ขับรถแล้วเห็นคนขับรถที่ที่อะไรอ่ะผิดๆอะไรอะไ ร, อะไรก็จะรู้สึกหงุดหงิด <c oughs> นะครับเช่นแซงซ้ายขึ้นไปในเขตที่ไม่มให้แซงหรืออะไรต่างๆก็นะครับแต่แต่ผมก็ต้องกลับมาคิดว่าเออถ้าเราจะทําอะไรลงไปสักอย่างเนี่ยมันจะมี มีผลต่ออะไรมีมีผลต่อใครอะไรบ้างนอกจากตัวเราใครเห็นด้วยมว่าเวลารถขึ้นรถมีสายหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับฝากชีวิตไว้กับอะไรบางอย่างรถมีสายหนึ่งเนี่ยนะครับนะมันเหมือนกับถูกจับเป็นตัวประกันนะเนื่องจากรถมีสายหนึ่งเนี่ยมันเยอะมากมันต้องแข่งขันรอบกันเยอะใช่ไหมครับอันนี้ช่วงไหนที่ รถมีออกเยอะมันก็จะค่อยๆไปมันถูกจับเป็นตัวประกรันเลยนะมันขึ้นอยู่กับอารมณ์คนขับอะ่ะใช่มครับมันค่อยๆไปแต่ช่วงไหนที่รถน้อยแล้วก็คนเยอะมันเป็นไงปุ๊บปตายละตายละมันะมรถชีวิตมันไม่รู้จะสาปให้กลับไปอะไรยังไงนะพผมมีควารู้สึกว่าถ้าขับรถตามสายหนึ่งๆๆนะครับ มันไม่หยุดอีกมั้นี่ยครับนีแล้วบางทีถ้าขับรถไปแล้วก็สายหนึ่งตามหลังมาเนี่ยมันก็จะยิ่งรู้สึกโดนดพื่อนจะบีบแต่ปิ้นปิ้นปิ้นปิ้นปิ้นปิ้นดูะบางทีก็อยากจะทําอะไรสักอย่างเช่นอ่าไงแต่ค so, ิดไปชั่งหาเอ๊ะถ้าเราทำเนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างนี่มันมีผลต่อเจ้าเราแล้วะมันอาจจะขับรถนี้พื่งชนเราหรืออะไรต่างๆรถเราเสียหายเนี้ย เราคิดไชะิดาถ้าเกิดสอบสวนอะไรกันไปกันมาเสร็ปุ๊มาบอกโอ้คนนี้มันทำยงเดี๋กเบดซเอเนี่ยจูๆวันดนดีงก้อนห็นมาแล้วเดดขวบอะไรมาปาเข้าเดดซีเอเนี่ยมันจะเป็นยังไงคิดไปคิดมาคิดทสี่ทีอย่างสรุปเสร็จแล้วฉันขับของฉันมันขับของมันลวกันไม่ต้องไปก่อข้อดีความกับใครก็ได้น้ะ อยู่กันถ้าเขาคิดว่าเขาทําแบบนั้นแล้วเขามีความสุขเขาก็ได้ตัดสินใจเลือกแล้วและเราได้ขับแบบของเราเราก็ตัดสินใจเลือกแล้วเพราะว่าการตัดสินใจเลือกของเรามันนำมาซึ่งความสสุขและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีคิดของเราการที่เราจะทําอะไรนะครับเพื่อให้มีชีวิตเป็นที่ยกย่องและถวายเกียรติให้กับพระเจ้า อะไรคือสาระที่เราจะทำอะไรคือสาระที่เรานำข้อมูลในชีวิตเพื่อเราจะเป็นเป็นพาชนะที่เกิดผลให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าช่วยเราในบางครั้งกำลังของเราอาจจะมีไม่เพียงพอ เราขอพระเ้าช่วยเหลือเราที่เราจะมีกําลังที่จะฝ่าฟันเรื่องไข่กดเกณฑ์สิ่งต่างๆที่ไม่ดีนั้นที่เราจะสามารถผ่านไปได้ด้วยกําลังของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตเพียงแค่ในโลกนี้แต่สิ่งที่สําคัญคือเพราะวิญญาณเป็นมัดจำนี่คือสิ่งที่สําคัญครับตอนสุดท้ายแบอบกว่าเรามีคนจองรัว และการถูกจองของเรานั้นก็เพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้าพระวินยัยในสุดที่อยู่ในชีวิตของเราเป็นนักจำและเราถูกจองโดยพระเจ้าเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ถวายเกียรติกับพระเจ้ า, าและสรรเสริญพระเจ้าอย่างเต็มเสียาราศีในชีวิตของเราเมื่อเราอยู่กับพระองค์อย่างใทุกคที่เราจะได้ก็รเติมเต็มจากพระเจ้าที่เราจะมีชีวิตที่มีสา ร, ระไปกับพระเจ้าของเราทุกทุกอย่า และวันแต่วันนั้นเราจะมีชีวิตที่มีเสน่ห์มีสีเพื่อระงมีพระเยซูก็เท่ากับมีทุกสิ่งเราไม่สามารถมีทุกสิ่งก่อนที่เพื่อที่เราจะมีพระเยซูเมื่อเรามีพระเยซูแล้วเราก็มีชีวิตเพื่อพระองคด้วยขอพระใช้าอวยพรเราทุกคนครับให้เราทุกฐานดีครับพระเจ้าผู้บิดานำพาเราถึงหมายให้เราการเราจองของเรา เพื่อเราทัุกนายทุกคนเองจะได้รับการก้าใจว่าเราอยู่เพื่อเรื่งเรามีชีวิตเพื่อเรืงและเราจะทําทุกสิ่งในชื่อของเรานั้นให้เพว่ได้รับเกียรติขอให้มได้สำรวจในตาและเอพรนำพาชีิตของเราทั้งหมดในสิ่งต่างๆที่เราทำนั้นช่วยในการปกป้องดูแลในการส่งนของเพื่องขอให้เราได้รับการเลือกที่เป็นที่พอประทัยของเพื่องให้ชีวิตของเราอยู่ในนั้นพเพื่ของพระเจ้า อธิษฐานในพระนามพระศิวะเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับประคำ